กลัวธุรกิจเจ๋งบทความโดยดังตรินจัดทำโดยเยาวลักษ์คงคาสุวรรณผมเป็นเจ้าของบริษัทแห่งหนึ่งหลายปีก่อนเริ่มสนใจพุทธศาสนาด้วยความทุกข์แต่ไม่ใช่เพราะล้มเหลวเกี่ยวกับธุรกิจการงานตรงข้ามเป็นเพราะถือได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงทางการเงินทว่าล้มเหลวยังสิ้นเชิงทางความสุข กล่าวคือพบว่าตนเองวนเวียนอยู่กับความอยากได้อยากมีไม่จบไม่สิน้นกับทั้งเครียดกับปัญหาวุ่นวายสารพัดชนิดในบริษัทพอสนใจอ่านสนใจฟังธรรมะแรกๆก็เหมือนเย็นลงทยานอยากน้อยลงายสงบและค้นหาสมบัติภายในมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อได้ครูบาอาจารย์ที่สงบเย็นเป็นหลักใจไปกราบคราวใดก็เหมือนจะสละโลกได้ตามท่านคราวนั้น แต่เมื่อเวลาผ่านไปพอต้องกลับไปวุ่นวายกับธุรกิจในช่วงขาลงก็เกิดความกระวนกระวายกลัวเจงกลัวไม่ได้เพิ่มกลายเป็นคนทุกข์หนักเหมือนเดิมยิ่งเห็นยอดขายดิ่งลงไม่มีทีท่าว่าจะขึ้นก็ยิ่งเศร้าแลรู้ตัวเลยว่าที่ผ่านมายังไปไม่ถึงไหนแต่ก่อนแค่เครียดเรื่องมีไม่พ อ, อยังไม่รู้จักความเศร้าเพระยอดขายเอาแต่สุดกับสุดดังที่กําลังเป็นอยู่ คำถามคืออย่างผมเนี่ยเหมาะกับการปฏิบัติธรรมแบบใดให้ได้ผลจริงๆโดยเฉพาะในภาวะที่กำลังย่ำแย่จากพิเศรษฐกิจเหมือนอย่างนี้ระดับชั้นของเสื้อผ้าอาภรณ์บ้านรถและทรัพย์สินในมือตกแต่งให้มนุษย์แต่ละคนดูดีดูแย่ดูเป็นเศรษฐีมีเงินหรือดูเป็นยาจกเห็นใจ แต่มนุษย์คนหนึ่งจะเห็นว่าตนเองเป็นอะไรจริงๆก็ด้วยความรู้สึกภายในอันถูกตกแต่งด้วยกรรมและกิเลสหาใช้เข้าของภายนอกไม่ก่อนอื่นเราลองมาจําแนกกันนะครับว่าความรู้สึกของเศรษฐีกับขอทานแตกต่างกันอย่างไรตามที่ควรจะเป็นนั้นเศรษฐีควรมีความรู้สึกอิ่มเต็มอบอุ่นใจมั่นคง เระการเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติจํานวนมากเข้าขั้นเศรษฐีนั้นน่าจะเป็นไปเพื่อความสุขกายสบายใจหายห่วงหายกังวลไม่ต้องพึ่งพาใครไม่ต้องเบียดเบียนใครไม่ต้องทําทุจริตคิดไม่ชอบการมั่งมีเหลือล้อนเกินความจําเป็นน่าจะก่อความรู้สึกว่ามีพอจะให้มากๆด้วยซ้ําส่วนยาจก ควรมีความรู้สึกขาดพร่องหดหูใจวันไหวเพราะการอัตคัดขัดสนสมบัติเข้าขั้นยากจนนั้นน่าจะก่อให้เกิดความทุกข์กายอึดอัดใจคิดมากเครียดหนักอยู่ในภาวะพึ่งพาอาจถูกบีบคั้นนตสิสินใจเบียดเบียนสังคมหรือถึงทางตันต้องทำทุจริตคิดร้ายกลายเป็นมิจฉาชีพไปการเหลือเศษบาเสตังเพียงน้อยควรอยู่ที่จะก่อความรู้สึก ต้องหวงไว้เอาตัวรอดเป็นธรรมดาหากพิจารณาตามข้อแตกต่างข้างต้นจะเห็นว่าเศรษฐีบางคนอาจมีจิตแบบขอทานก็ได้แค่เพียงด้วยความรู้สึกว่ายัางมีไม่พอและยังต้องเอาจากคนอื่นชัวชีวิตของบางคนเป็นท่านเศรษฐีในสายตาของคนอื่นแต่จนแล้วจนรอดไม่เคยรู้จักจิตแบบเศรษฐีเลยสักวันเดียว เพราะเขายังเต็มไปด้วยความอยากสวาปามโภพกระซัเราวกับเกิดมาไม่เคยมีอยู่ดีไม่เคยได้ขออนุญาตยกตัวอย่างกรณีของคุณโดยตรงคุณไม่ต้องขอเงินใครแต่ยังต้องตระเวนขอความสุขจากครูบาอาจารย์อยู่ลองสังเกตเถอะแต่ละก้าวที่เดินแต่ละนาทีที่เหยียบคันเร่งพาตัวไปกราบพบท่านนั้น จิตมีความหอยหิวความสุขความสงบเย็นความอบอุ่นใจและความปลอดภัยอันเกิดจากการปล่อยวางโลกของพวกท่านเป็นที่สุดพอกราบเสร็จฟังเทศและรับการชี้แนะเป็นที่พอใจก็กลับออกมาจากวัดด้วยความเต็มอิ่มหลังจากนั้นไม่นานพอถูกโลกร้อยรัดและพอออกแรงกอดโลกไว้จนเหนื่อยจิตก็หิวหยความสุขความปล่อยวางอีก ต้องแล่นกลับไปขอความสุขจากครูบาอาจารย์อีกอย่างเนี้ยแสดงชัดใช่ไหมว่าจิตของคุณยังไม่มีคือยังต้องขอสมบัติภายในจากคนอื่นอยู่ร่ำไปไม่ใช่ว่าการไปขอความสุขจากครูบาอาจารย์เป็นพฤติกรรมที่ผิดแบบผิดแผนนะครับเพราะสมัยพุทธกาลทั้งกษัตริย์และเศรษฐีต่างก็แห่ไปขอส่วนแบ่งความสุขจากพระพุทธเจ้า และระสาวกกันอย่างล้นหลามมนุษย์เราเกิดมามีจิตแบบขอทานด้วยกันทุกคนพวกเราถวายข้าวราคาถูกให้พระชันเพื่อยางชีพแต่พวกท่านแบ่งปันความสุขแสนแพงให้ใจเราไม่แห้งตายทางโลกนั้นคุณไม่ต้องขอข้าวใครกินก็เพราะทำงานทําเงินตลอดจนทําตัวดีพอจะอยู่รอดปลอดภัยไม่ต้องวิ่งหนีเจ้าหนี้หัวสุกหัวซุน ตลอดจนไม่ต้องแบมือขอเศษสตางค์จากคนอื่นฉะนั้นทางคุณธรรมก็ต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อจะไม่ต้องวิ่งหนีความทุกข์ตลอดจนไม่ต้องแบมือขอเศษสุกจากครูบาอาจารย์ท่านไหนสิ่งที่ผมขอแนะนำเป็นอันดับแรกคือให้สังเกตเข้าไปในใจนะครับหลายครั้งจิตของคุณหิวได้เสียยิ่งกว่าท้องหิวข้าว เมื่อใดเห็นความหิวชัดๆก็ให้ถามตัวเองเมื่อนั้นว่ากำลังคิดอะไรอยู่ไม่ว่าคุณจะคิดอะไรก็ตามขอให้ตระหนักว่าความคิดนั้นผิดเพราะไม่ทำให้ใจอิ่มเอาแต่หิวโหวยแห้งแล้งจะจำไว้สั้นๆเพื่อง่ายต่อการระลึกก็ได้ครับถ้ายัางทุกข์หนักไม่เลิกแสดงว่าที่ผ่านมาคิดผิดหมดคิดให้ถูก คิดให้ไม่ต้องทุกข์หนักคิดให้ใจสงบสุขเป็นอย่างไรลองจาแนกเป็นข้อๆกันดูทดลองได้เดี๋ยวนี้เลยว่าคิดแล้วสุขจริงไหมข้อที่หนึ่งคิดให้ไม่ใช่คิดเอาอาการคิดเอานั้นเหมือนโรคร้ายที่ต้องแทรกซึมเข้าสู่จิตใจทุกคนอย่างไรก็ต้องคิดเอาวันยังค่าถ้ายังอยากอยู่รอด ยังอยากใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขตามกระแสโลกธรรมชาติของโรคคิดเอานั้นจะพัฒนาตัวเองเป็นโรคคิดเอาแต่ได้คิดแต่จะเอาท่าเดียวไม่แบ่งปันไม่เจือจานให้คนอื่นเลยแม้เศษส่วนเกินที่เหมือนอุจจาระปัสสาวะก็ไม่อยากให้หลุดไปถึงมือใครนี่แหละโรคคิดเอามันน่ากลัวอย่างนี้ยิ่งคิดเอามากขึ้นเท่าไหร่ ความอยากเอาก็ยิ่งต่อยอดเป็นทวีคูณขึ้นเท่านั้นเช่นตอนนี้มีแค่ล้านเดียวคุณอาจจะอยากมีเป็นสองล้านแต่เมื่อมีถึงร้อยล้านคุณจะไม่เสียเวลาคิดถึงเงินหลักร้อยล้านอีกต่อไปใจคุณจะฝันเฟื่องไปถึงพันล้านหรือหมื่นล้านแล้วอยากมีทั้งที่ชั่วชีวิตอาจไม่ทันได้รู้ด้วยซ้ำว่าพันล้านหรือหมื่นล้านเอาไปทาอะไรได้บ้าง ตรงข้ามกับการคิดเอาคืออาการคิดให้การคิดให้นั้นเหมือนยารักษาโรคประเภทแก้ปวดแก้ไขตามสภาพถ้าคุณไม่ให้ยาเลยก็จะปวดหัวตัวร้อนคาราคสซังเรื้อรังไม่หายและถ้าคุณให้ยาน้อยไปหรือให้ไม่ต่อเนื่องการรักษาก็อาจไม่ได้ผลหรือได้ผลน้อยเจยจนไม่น่าศรัทธาการคิดให้เป็นเรื่องต้องฝึก มีทั้งมือใหม่และมือเซียนมือใหม่คิดให้นั้นจะฝืดฝืนเหมือนต้องออกแรงสู้กับยางเหนียวที่เกาะใจเหนือหนะแม้แต่เหรียญสิบบาทก็หนักอึ้งครานที่จะล้วงกระเป๋าเอามาบริจาคคนตกทุกข์ได้ยากส่วนมือเซียนคิดให้นั้นง่ายมากไม่เสียดายเลยกับการเอาเงินไปช่วยหรือกระทั่งเอาตัวไปเสี่ยงยามใครเดือดร้อน ผมมีสูตรสำเร็จอยู่สูตรหนึ่งถ้าคุณมีส่วนที่เกินพอเกินใช้สักสิบบาทแล้วเอาสิบบาทนั้นไปทำประโยชน์ให้คนอื่นสิบบาทนั้นจะทำหน้าที่เกินคุ้มคือสนองคืนกลับมาในรูปความสุขเกินราคาจริงของมันแต่ตรงข้ามหากคุณดองเงินส่วนเกินสิบบาทนั้นไว้เฉยมันจะทำหน้าที่อีกแบบหนึ่งคือกลายเป็นสิ่งห ม, ม, มักหมมเป็นขยะ เป็นพิษทางใจให้คุณอยากมีมากขึ้นเป็นร้อยคือสิบเท่าของจำนวนเดิมคุณคงนึกออกนะครับการลงทุนประเภทฝากเงินได้ดอกเบี้ยหรือเล่นหุ้นได้มากกว่าเงินต้นปลูกฝังนิสัยเหล่านี้ให้คนยุคเราอย่างหนักหนาสาหัสเพียงใดและเมื่อรู้แล้วว่าการคิดทำประโยชน์ให้ตัวเองคือการเพิ่มความเห็นแก่ตัวก็ต้องเห็นว่า เครื่องมือสำคัญที่จะกำจัดความเห็นแก่ตัวคือการคิดทำประโยชน์ให้คนอื่นการทำประโยชน์ให้คนอื่นนี้เราเรียกว่าการทำบุญแต่การทำบุญแบบเศรษฐีที่ยังขาดความเข้าใจนั้นมากหมายถึงการทุ่มเงินจำนวนมากในโอกาสที่สำคัญหรือหลายครั้งเป็นเรื่องของหน้าตามีประจักษ์พยานรู้เห็นมากมาย การทำบุญแบบซื้อความสบายใจอย่างแท้จริงนั้นจำนวนเงินไม่ใช่ประเด็นแต่ประโยชน์สุขอันสำเร็จแก่ผู้อื่นต่างหากที่ใช่หากคุณทำบุญเพื่อความสบายใจได้ทีทีดวงจิตคุณจะปเปลี่ยนไปเปรียบเทียบกับเมื่อครั้งยังโลภอย่างเห็นได้ชัดกล่าวคือเมื่อสังเกตอาการทางจิตคุณจะเห็นความจริงว่า ธรรมชาติของความโลภนั้นมีอาการดึงดูดเอาเข้าตัวผลของการสั่งสมคือความอึดอัดคับแน่นกับทั้งเพิ่มแรงทะยานอยากขึ้นมาใหม่ส่วนธรรมชาติของการสละให้จะมีอาการปล่อยออกจากตัวผลของการปลดทิ้งคือความสบายหายห่วงกับทั้งลดกาลังความทยานอยากเก่าๆลงได้ ข้อที่สองคิดลดความอยากไม่ใช่คิดเพิ่มความอยากทุกคนรู้ว่าความอยากได้อยากมีเป็นสิ่งที่ทำความกระวนกระวายใจอย่างใหญ่หลวงแต่รู้ทั้งรู้ทุกคนก็ยังไม่เลิอกอยากได้อยากมีอยู่ดีโดยเฉพาะการเป็นนักธุรกิจหรือชาวบ้านร้านถิ่นที่ต้องหาเลี้ยงชีพนั้นดูเหมือนขัดแยง้งและไม่อื้ออานวยให้กับแนวคิดลดความอยาก แตกต่างจากพระชีซึ่งต้องมีหน้าที่ดับความอยากให้หมดคือบวช ด, ด้วยการตกลงกับชาวบ้านแล้วว่าจะขอข้าวกินเพื่อดับอยากดับทุกข์ทางใจแล้วเอากระแสสุขจากการหมดทุกข์ทางใจแล้วมาแจกจ่ายชาวบ้านเป็นการตอบแทนอย่างไรก็ตามแม้ยังต้องอยากแบบโลกโลกก็ไม่จําเป็นถึงขนาดต้องเอาแต่อยากขอให้จําไว้ว่าถ้าตามใจตัวเองเกินไป ได้แล้วจะเอาส่วนเกินอีกความอยากอันเป็นส่วนเกินนั้นจะกลายเป็นพายุหมุนกลางอกที่หอบเอาความสุขของคุณไปหมดทั้งวันมีแต่ทุกข์กับแรงดิ้นใหม่ๆไม่มีที่สิ้นสุดยกตัวอย่างนะครับถ้าคุณซื้อรถสปอร์ตมาขับเล่นคาละสามสิบล้านเป็นตังหกจากคันใช้ไปทำงานจริงนั่นแปลว่าคุณรวยแบบหมดกังขา เพราะ30ิล้านต้องเป็นแค่เศษเงินโลกนี้มีของเล่นราคา30บล้านก็เพราะมีคนรวยระดับเห็น30บล้านเป็นเศษเงินนั่นเองไม่ใช่ความผิดอะไรเป็นเรื่องที่บุญเกา่าบุญใหม่อนุญาตให้สมอยากแม้เป็นเรื่องไม่แฟร์ในสายตาของเหล่าชนผู้ได้โ อ, อกาสก็เป็นเรื่องแฟร์ในวังวนของเกมกรรมประเด็นคือเมื่อได้รถสปอร์ตแล้ว ใจคุณยังอยากได้รถสปอร์ตคันใหม่ในเวลาอันสั้นหรือเกิดกลัวได้ใหม่ก็แค่นั้นวันหนึ่งต้องเบื่อแล้วหาใหม่อยู่ดีไม่ต่างจากคันเดิมเพราะความเร็วและความแรงไหนๆก็ไม่อาจตามทันความอยากของมนุษย์ได้อย่างแท้จริงเลยหากความสมอยากในแต่ละครั้งเป็นไปเพื่อการหยุดคิดได้คิดหรือฉุกใจคิด กระทั่งความทยานอยากอ่อนกำลังลงชีวิตคุณจะเข้าสู่ภาวะพอใจอาศัยเงินดับความกระหายและไม่กระหายเพิ่มอีกแต่หากความสมอยากเป็นไปเพื่อต่อความอยากใหม่ๆไม่ได้คิดไม่ได้อ่านอะไรเลยชีวิตคุณจะเคลื่อนเข้าสู่ใจกลางพายุแห่งความอยากที่ปั่นตัวแรงเกินกว่าจะมีความสมอยากใดๆหยุดยั้งได้ ความสมอยากที่ไม่ต่อความยาวสาวความยืดนอกจากจะเป็นการลดกำลังความทยานอยากลงแล้วยังช่วยให้คุณรู้จักพอใจกับปัจจุบันไม่ใช่เสียดายอดีตไม่ใช่มุ่งหวังอนาคตจึงมีสิทธิพัฒนาจิตให้ก้าวไปสู่ธรรมะขั้นสูงขึ้นกว่าเดิมถึงขั้นคลายความยึดมั่นถือมั่นในสมบัติชั่วคราวที่ลวงให้คุณลงนึกหวงแหนและอยากได้เพิ่มเป็นนักเป็นหนา สมบัติพัสถานเป็นอุปกรณ์ช่วยฝึกคลายความยึดมั่นถือมั่นในพบชาติได้นะครับก่อนอื่นคุณต้องคิดให้ได้ว่าคุณไม่ได้เป็นเจ้าของพวกมันคุณมีหน้าที่บริหารมันชั่วคราวและเพื่อจะคิดให้ได้เช่นนั้นก็ต้องมองเข้ามาให้เห็นจริงว่าทั้งเนื้อทั้งตัวคุณมีอะไรได้แค่ไหนกันแน่ชั่วเวลาขณะที่อ่านหรือฟังตอนนี้อยู่ คุณเก็บลมหายใจเข้าไว้ได้ไหมไม่ได้เลยชั่วครูเดียวคุณต้องระบายคืนกลับสู่ความว่างภายนอกชั่วเวลาขณะที่ฟังอยู่นี้คุณเก็บความปลอดโปร่งสบายใจจากการฟังธรรมะไว้ได้ไหมไม่ได้เลยเมื่อจิตของคุณเล็งไปที่อื่นก็ต้องวุ่นวายไปตามสภาพหัดมองเข้ามาข้างในมากๆ เห็นเป็นขณะขณะไปเรื่อยๆ แ, order, แค่ชั่วแว็บก็ยังดีขอให้เห็นบ่อยๆจนคลายความยึดมั่นในกายใจคุณจะปล่อยคลายความยึดมั่นในสมบัติภายนอกไปได้ด้วยคุณจะมีชีวิตในโลกนี้เพียงเพื่อจัดการอะไรบางอย่างให้เรียบร้อยบริหารสมบัติให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านไม่ใช่หวงสมบัติเวกลุ่มเปล่าดังเคยอีกต่อไป